รายการไลฟ์สไตล์บาย KTTV อาทิตย์นี้อยู่กับท่านขอขอหมใหม่รายการไลฟ์สไตล์บาย KTTV อาทิตย์นี้อยู่กับท่านพระอาจารย์ภษยสวิสาโลกาบนะมัสการพระอาจารย์ ต้องก่อนอื่นก็ต้องรกราบขอพระคุณพระอาจารย์าานะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองอที่เราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะคะโดยพระอาจารย์ก็ให้ความรู้แต่ในรอบที่แล้วก็เป็นในเรื่องของออชีวิตแต่รอบนี้วันนี้มาที่เดะมอรพระอาจารย์มาบรรยายในเรื่องอะไรคะมาบรรยายเรื่องผ่านทุกภพสุขผ่านทุกภพสุคนี้คือใช้เวลาบรรยายจู่ว่าคนเรา ยังไงก็หีความทุกข์ไม่พ้นทำงานเราจะผ่านมันได้ทำงานเราจะก้าวข้ามมันได้แล้วพบความสุขตามมาหรือผู้ยานึกว่าทํางานเราถึองอยู่กับทุกข์โดยที่ใจเราไม่ทุกข์ซึ่งโดยหลเกาคือว่าเราเนี่ยจะต้องรู้จักราาักษาใจให้ปกติเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราความเจ็บป่วยความสูญเสียพัดพรา่า งานไม่สำเร็จนะทำยังไงเราจะไม่ซ้ำเติมตัวเองถ้าเราไม่รักษาใจเราจะซ้ำเติมตัวเองเสียของแทนที่จะเสียแต่ของเสียแต่งเงินใจเราเสียด้วยสุขภาพเราก็เสียกินเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกุ่มใจต่อไปงานก็เสียเพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีอารมณ์ทำ ง, งานต่อไปก็เสีย คามสัมพันธ์กับคลรอบข้างมันจะเสียไปเป็นกระบวาเลยถ้าเราไม่รักษาใจใปกตินะงั้นเราต้องรักษาใจให้ปกติด้วยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่โกรธไม่โวยวายไม่ตีโพธิพายรู้จักปล่อยวางมันมันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านเลยไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ประการที่2รู้จักหาประโยชน์จากมันอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าทุกข์ปลาปลาอ่าทุกข์ฟรี ต้องได้ประโยชน์จากมันด้วยเช่นความเจ็บปวยก็มันก็สามารถจะสอนทำให้เราได้ใช่ไหม<ะ>คำตอบว่าดาบทอก็กะสุนใจให้เราชึ้นแข็งลดละอาสาตัว ต, ว ต, วตนใช่ไหม<ะ>ความสุเฉพัดภาคก็ทำให้เราไม่ประมาทประมากระวังทุกอย่างมีประโยชน์ัท่นั้นหละรู้จักใช้มันอย่าให้มันเล่นงานเราอย่างเดียวเราใช้มันให้เกิดประโยชน์ด้วย ถ้าทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะพบความสุขเป็นสุขแม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างที่พรเจ้าตรัสว่าเนี่ยพูดมีปัญ ญ, ญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบประสบทุกข์ยังเจ็บป่วยสูญเสียของรักของห่วงแต่ว่าใจก็ยังสุขได้หลักธรรมะของอาจารย์ถ้าอาจารย์นี่ต้องบอกว่า หลายหคนโดยเฉพาะตอนนี้นะคะผู้ที่ได้มาร่วมฟังธรรมะเพราฟังก็แบบคือาซาบซึ้งแล้ว่านก็เป็นหลักธรรมะที่ฟังง่ายๆพระอาจารย์คะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย โ, โลกของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปหลายมีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีแต่ที่ที่ต้องบอกว่าเป็นด้านที่แบบทุกทุกคนตอนนี้ก็คงต้องพูดถึงในเรื่องของโลกโซเชียลนะคะโลกโซเชียลเนี่ยในในในมุมมองโลกออนไลน์โลก online, โซเชียลในมุมมองของพระอาจารย์คิดว่า ดีหรือไม่ดียังไงคะของทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย<ะ>ใช่ไหมโซเชียลมีเดียก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่หลากหลายกว้างไกลได้<ะ>ใช่ไหม<ะ>เราใช้โซเชียลมีเดียในการหาข้อมูลทําให้เรารู้ว่าที่โน้นที่นี่มีอะไรใช่ไหมทำให้เรารู้ว่าคนโน้นคนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาทําอะไรบ้าง แต่ข้อเสียคือว่าหลายคนเนี่ยเอาจิตเอาใจไปผูกติดอยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือไม่ก็ใช้มันไม่ถูกต้องใช้มันเพื่อไปประกาศตัวตนนะทำให้เนี่ยเราเนี่ยเกิดความยึดติดในตัวตนมากขึ้น เราเซลฟี่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ประกาศให้โลกรู้หาใช่ใช่ไหมใช่ค่ะไปเที่ยวก็ประกาศให้โลกรู้กินอะไรก็ประกาศให้โลกรู้เซลฟี่จริงๆใช่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อจะให้เขาชมให้เขากดไลค์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนไม่กดไลค์ก็ทุกแล้ววัยรุ่นบางคนเนี่ยโพสอะไรขึ้นไปโพสเตตัสโพสรูปเพื่อไม่กดไลค์ อยู่นิ่งไม่ได้ละต้องไปส่งไลน์บอกเพื่อนเื่อนว่าช่วยกดไลน์ให้หน่อยแสดงว่าแสดงว่าจิตใจอ่อนไหวมากเจยวนี้ต้องไปผูกติดอยู่กับสายตาคําชื่นชมคนนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ชมเดียวถ้าเขาไม่ใช่แค่ไม่ชมเขาต่อว่าเขาวิจารทุกเลยหลายคนเนี่ยเป็นทุก เสียผู้เสียคนเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียใน a ฟ e b o o k ใช่ไหมใช่ค่ะบางทีก็ลุมเพื่อนๆรวมัวงกันเพื่อ น, อ น, อนๆไม่ชอบหน้าใครก็ลุมกรนนำไปเมนต์ไปว่าถ้าคนนั้นเป็นเด็ก<ะ>เป็นวัยรุ่นยังไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยเสียใจรู้สึกตัวไม่มีคุณค่าค่าตัวตายได้นะใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่าง facebook เราอาจจะเห็นเรื่องราวที่รุนแรงนะอย่างง่ายๆก็คือมีการขู่คอตายมีการฆ่ากันตายแล้วมีการด่าทอทางไลฟพระอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้สังคมเราแย่ลงไหมคะคือถ้าโซเชียลมีเดียมันกลายเป็น สิ่งที่คอยปลุกให้เกิดความโลภความโกรธความเกลียด<ะ>ความกลัว น, นีอันตรายและเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียถูกใช้ไปเพื่อการดีมากใช่ค่ะเปิดดู Facebook เนี่ยหาความสุขได้ยากหลายคนนะมันมีแต่ความรุ่มร้อนใช่ค่ะความโกรธความเกลียดและเดี๋ยวนี้ไอ้ข้อมูลที่ส่งแพร่ แชร์ทางโซเชียลมีเดียเป็นเท็จเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆอาละมาว่าไม่น้อยกว่าส0อร์ซใช่ไหมเช่นว่ากินทุเรียนแล้วไม่มีความดันกินที่แล้วลดความดันได้ทำให้ผอมด้วยใช่ทำให้ผอมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาโน้นศาสนานี้กำลังจะมาทำลายพื่อศาสนาไอ้พวกนี้เนี่ยไปหาต้นตอมันกูทั้งนั้นแหละใช่ไ แล้วคนเนี่ยก็ดันหลงเชื่อโซเชียลมีเดียได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าใครๆก็แชร์เพื่อนก็แชร์ไม่ให้เราบางทีคูบาาจันก็แชร์ก็เลยเชื่อว่ามันจริงเพราะนั้นเนี่ยยุค ข, ข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางทีมันกลายเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความหลงก็ได้หลงก็คือหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแล้วก็โกรธเกลียดกลัวใช้โซเชียลมีเดียนการบุก ป, ปั่นให้คนกลัวให้คนเกลียดให้คนโกรธนะ อันนี้กลังเป็นปัญหามากซึ่งเถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีสติไม่มีวิจารณญาณไม่ใช้หลักการมาสููที่พระเจ้าสอนไว้ก็จะกลายเป็นทาตของโซเชียลมีเดียแล้วก็จะไม่มีความสุขดะงนั้นมอน ง, ง่นี้เนี่ยจากการวิจัยเนี่ยก็<ะ>พบว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนทุกข์มากกว่ามีความสุขคนส่วนใหญ่นะทุกข์มากกว่ามีความสุข นะเห็นคนอื่นเขาสุขเราก็อิจฉาเขาเขาไปเที่ยวแต่เราก็มาทําทํางานเราก็รู้สึกไม่พอใจในตัวเองเห็นเขาสวยแต่เราไม่สวยเหมือนเขาเราก็สึกแย่รู้สึกมีปมด้อยเรารู้ว่ง่ายเขาสวยเราเห็นจากภาพภาพเซลซี่หารู้ไหมว่ากว่าเขาจะได้ภาพนั้นเนี่ยเขาตัดเขาถ่ายมาแล้วร้อยภาพ เ, าเขาถึงจะเลือกภาพที่สวยที่สุดหรือหม้เขาก็ตัดต่อ รีทัชใช่ไหม<ะ>คุณวันนี้นมีความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองเนี่ยก็โซเชียลมีเดียสูงมากคือนอกจากไม่พอใจกันอื่นนะโกรธเกลียดแล้วเนี่ยจากการปลุกปั่นนะผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไม่พอใจตัวเองรู้สึกไม่พอใจในในตัวเองไม่พอใจ<ด>ในรูปร่างหน้าตาของตัวเองไม่พอใจวิธีชีวิตของตัวเองว่ายังไม่มีความสุขเหมือนเขาไม่พอใจในการทํางานของเราในอาชีพการงานของเราว่าสู้เข้าไม่ได้ เขาทุกคนเนี่ยเขาก็ต่างโพสต์แต่เรื่องที่มันดีๆไอโพสที่แย่ๆเขาไม่โพสหน้าตาเวลาเขาโกรธเวลาเขาน่าหน้าหม่นหมองเขาไม่โพสเขาโพสแต่เวลาเขามีความสุขใช่ไหมแล้วเราก็ไปคิดว่าเขามีความสุขกว่าเราคนก็เลยเกิดความไม่พอใจในตัวเองนั้นจึงผลการวิจัยเนี่ยจึงพบว่าคนเนี่ยมีความทุกข์มากขึ้นจากโซเชียลมีเดียแต่จริงนะคะครับจาจรย์และโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้วัยรุ่น ก็จะมีเน็ตไอดอลที่บางทีก็อจะคิดว่าใช่อาจจะคิดว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบแต่บางครั้งภาพลักษณ์เนี่ยกลายเป็นว่าวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คงสนใจในเรื่องของการแต่งตัวนะคะแล้วโดยเฉพาะบางทีโดยเฉพาะ เ, เสื้อผ้าเสื้อนุ่มผมอาจจะน้อยชิ้นลงคือคือเรื่องบันิสัยในอดีตเนี่ยก็คงจะจะเป็นไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเรื่องเหล่านี้หลายๆคนมีพฤติกรรมมีเน็ตไอดอลที่ตัวเองคิดว่าเาเป็นเป็นแบบอย่างมันก็มันก็น เ, เกิดการเสื่อมเสียกันนะครับะอาจารย์แต่จะว่าไปมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสังคมน ะ, ะเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นงนี้แหละก็คือว่าเสื้อผ้ามันจะน้อยชิ้นลง <c oughs> แต่ต่อไปเสื้อผ้ามันจะเพิ่มมากชิ้นมากขึ้นคือเป็นอย่างนี้นะ คือมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งมีผ้ามีกี่ชิ้นแต่อาพอผ้าไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีเสื้อผ้ามากชิน้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาขึ้นจากมีสเกิร์ตนะสมัยหนึ่งก็กลายเป็นเสื้อผ้าที่มีการอผอมคลุมกันยาวขึ้นแล้วก็จะขดใหม่แล้วก็จะยืดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยแฟชั่นอัตมาไม่ค่อยเป็นห่วงแต่เป็นห่วงคือว่าเราไปให้ค่ากับสิ่งที่มันเป็นเรื่องฉาบฉวยมากขึ้น เรื่องเสื้อพ้านาปกใช่ค่ะเราสึกว่าความมั่นใจเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่เกิดจากความมั่นใจภายในมันเกิดจากกามไปปลูกติดกับสิ่งภายนอกรวมทั้งคําชมคําสรรเสริญหรือสายตาของคนอื่นเขาเรามาคิดว่าถ้าคนเราเนี่ยเอาตัวเนี่ยเอาคุณเค่เาตั ว, ตวไปปลูกติดอยู่กับสายตาคนอื่นผูกติดอยู่กับจํานวนไลค์หาความสุขในอยา่างใช่ไห นื้อเงิต่อมาคือว่าเราต้องรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียใช้ไม่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยู่ในขอบเขตอันต่อมาเดี๋ยวนี้นี่ให้เวลากับโซเชียลมีเดียพอประมาณพระอาจารย์มีแฟนเพจเยอะมากมีแฟนเพจหนูก็เป็นแฟนเพจครัเพราะหนูก็ชอบเขาพราะพระอาจารย์จะมีคําสอนมีหลักคําสอนที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็เวลาที่จริงๆแล้วเนี่ย โดยส่วนตัวก็คิดว่าเข้าใจทุกคนนะครัเวลาที่เราเกิดความรู้สึกที่เราทุกๆเราได้อา่านข้อความที่เราเกิดพลังเสริมกาลังใจอย่างเพจของพระอาจารย์เนี่ยหลายๆคนที่เข้าไปอา่านแล้วมีคําถามซึ่งซึ่งมีคําถามที่ให้ พ, พระอาจารย์ได้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตหลายๆคนก็เขาก็ผ่านรู้ล่วมได้นะคะพระอาจารย์เขาก็ผ่านรู้ล่วมไปได้เพราะว่ามันก็หลากหลายปัญหาที่พระอาจารย์ได้เจอจริงๆอันนี้ก็เป็นประโยชน์โซเชียลมีเดียของเช่น Facebook แต่ว่าคนใช้ประโยชน์ในธรนองนี่น้อยนะอาจจะมีแค่ไม่ถึงส0ซที่ใช้ประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือเข้าใจชีวิต เ, เพื่อการเรียนรู้ธรรมะเพื่อการพัฒนาตนเพื่อการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าไอ้ที่ใช้เพื่อสนองกี่เหล่ตัวเองหรือทําให้ตัวเองเนี่ยถลำจมลงไปในในความลุ่มหลง จากโซเชียลมีเดียมาคิดว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากที่หลายต้องรู้ทันมันสมัยนี้เราคงปฏิเสธมันได้ยากแต่เรารู้ทันมันแล้วก็ใช้พอประมาณอย่าไปเสียเวลากับมันมากใช่ไหมให้เวลากับมันสักวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งพอสมาร์ตเนี่ยก็ให้เวลากับมันเท่านี้แหละที่เหลือจะได้ไปทําอย่างอื่นที่มันมีค่าใช่มเพราะอยากให้ผู้จารย์ได้แบบให้ให้ข้อแนะนําให้ข้อคิดว่าการที่เราอยู่ อยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยมันก็มันก็ไรประโยชน์สินะคะอาจารย์แล้วมันก็ยิ่ทงทําให้เหมือนที่อาจารย์บอกเขาก็อยู่จะในในเขาบอกสังคมก้มหน้าปัจจุบันสังคมไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆ อ, อ, อยู่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แต่อยู่ห่างไกลกับคนที่อยู่ ใ, ใกล้ตัวคํานี้น่าจะใช้ได้ในโลกปัจจุบันม่าจริงๆมันไม่ใช่แค่อยู่ห่างไกลจากคนใกล้ตัวนะมันทําให้เราลืมตัวทําให้เราละเลย หรือเฮินห่างหมางเหมือกนกับตัวเองด้วยใช่ไหมเราใช้ Facebook จนทั้งเราลืมตัวนะเราจมอยู่ในความโกรธความเครียดความกลัวความสุดด้อยเราเฮินห่างหมาเหมือกนกับตัวเองใช่ไห ม, ไหมเราไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่บทบทอนเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูใจตัวเองเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งว่าจ ะ, จะเป็นนิต ก, กับตัวเอง เราไปพูดมิรกับผู้คนมากมายผ่านโซเชียลมีเดียนะหรือบางทีก็ไปทะเลาะตบตีกับคนรอบข้างแต่สุดท้ายเรากลับซ้ำเติมเอาความทุกข์มาใส่จิตใจด้วยถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนาจิตใจเพื่อทำให้เรารู้ทันตนเองมีสติไม่ลืมตัวต่ไม่มีประโยชน์ถ้าายังต้องใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็ใช้เพื่อประโยชน์แบบนี้ ไม่จำเป็นม่ต้องสร้างทำไมเดียวนะมันมีช่องทางหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยกลับมากลับมาเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองได้มากขึ้นจะสุดท้ายเราต้องเรียนรู้ตัวเองเนี่ยผ่านชีวิตที่เป็นจริงไม่ใช่ผ่านอ่าผ่านจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันังเป็นของที่ไม่จริงเรียนรู้ชีวิตผ่านประสบการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คนในบ้านนะกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวกับผู้คนคนท้องถนนและในที่ทางานอัตมาคิดว่าอยู่กับของจริงแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้โดยเฉพาะอยู่กับธรรมชาติถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติบ้างใจเราจะสงบความเครียดเราจะน้อยลงแต่ถ้าเราก้มหน้าอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเครียดได้ง่ายมาก ก็ผมบอกว่านี้ก็สื่อในเรื่องราวโลกโซเชียลนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าก็เป็นปกติเพราะปัจจุบันทุกคนก็ก็ได้แบบต้อง เ, ออเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้ต้องได้เข้าไปเล่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งแน่ก็อย่างที่พัชร์ได้บอกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้มันเกิดประโยชน์ใช้มัน ให้มันใช้เราทุกอย่างนะถ้ามันเป็นบ่าวเราดีแต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นนายเราทุกเดี๋ยวนี้วันไหนไม่เข้าเฟซบุ๊กเนี่ยกังวนกวายลน ะ, ะไปที่ไหนไม่มีสัญญาณสับกระสา ย, ยนะะแสงว่าเราเป็นท่ามันนะนะไม่มีเฟซบุ๊กก็อยู่ได้ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะเข้าถึงเฟซบุ๊กเราก็ไม่ทุกเพราะเรายังอยู่บ้านล้อมด้วยพ่อมแม่คนละ เ่็<ะ>นที่หลายคนนะะเสาที่นี่เขาปิดเลยนะโทรศัพท์มือถืออปิดเลยเพราะว่ามันมายุ่งยากกับชีวิตเขามากเกินไปเขาก็เลยคนที่เขาห้ามใจไม่ได้ทางแก้คือปิดโทรศัพท์มือถือเลยเป็นวิธีการที่ดีนะคะผู้จัดเป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็<ม>หยุดออนไลน์ชั่วคราวจะมานี่นะโทรศัพท์เนี่ยก็เปิดนะ แต่ว่าไม่ออนไลน์ออนไลน์เฉพาะเวลาจะใช้งานจะดู Facebook จะเช็คอีเมลพอ<ม>เสร็อธมาเขาจะอยู่ออนไลน์<ะ>ใช่มฮะแต่แต่พระอาจารย์ก็จะมีเอ่อเป็นเพจเป็นเอ่อข้อความที่ไม่ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นก็คือเป็นคำสอนหลักคาสอนที่ทำมาของพระอาจารย์จะจะเยอะนะ้าหลายๆยคนก็อ่านแล้วก็ชอบเพราะเป็นคำสอนที่ เข้าใจง่ายแล้ก็เป็นหลักคําสอนที่ทุกคนบอกว่าของพระอาจารย์ไพรสานนี่ถือว่าหลายๆคนที่อ่านแล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นคําสอนที่ดีมากๆแฟนเพจพระอาจารย์เนี่ยก็หลากหลายเวลาที่ถามส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบทรรมพระอาจารย์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์เยอะความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่สามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนหรือว่ากับเจ้านาย คนวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขกับงานที่ทำไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีวางใจไม่เป็นแล้วก็ที่ที่ลองลงไปหน่อยก็คือสงสัยว่าทำที่ได้บุญไหม<ะ>ทำบุญแล้วเนี่ยไม่กวนน้ำจะได้บุญไหมใช่ไหมเหยียบมด ถ้ไม่เจตนาบาปไหมอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ก็คนสนใจเพราะบางคนบอกว่าทําดีแล้วจะได้ดีจริงหรอทําดีแล้วได้ดีจริงไหมครัออบพระอาจารย์ก็จะมาช่ ว, ว่าได้ดีเพราะหลายคนมองว่าบางคนไม่เห็นได้ทําดีทําไมเขาได้ดีซึ่งได้ดีอาจจะมองว่าจากความร่ารวยจากความมั่งมีซึ่งซึ่งเหตุจากตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าจริงไหมคะในหลักพระพุทธศาสนาที่บอกว่า ทำดีแล้วได้ดีอาตมาเชื่อมะเชื่อน้ว่าดีทำดีได้ดีแต่ว่าดีที่เราที่ตรงกับธรรมะดีที่พระเจ้าผู้สอนหมายถึงอะไรไม่ได้แปลว่าร่ารวยไม่ได้ว่ามีชื่อไม่ได้แปลมีชื่อเสียงแต่หมายเพาะว่าจิตใจเป็นสุขและชีวิตเนี่ยไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันต้องมองยาวๆอาตมาเปรียบเทียบเหมือนกับว่ า, วาเวลาจะดูบอลเน่ย น, น ะ, ะจะดูแค่ครึ่งแรก มันต้องดูให้ครบ90นาทีในสมัยนี้เนี่ยครบดูครบ90นาทียังไม่พอเลยต้องดูจนตอนต่อเวลาด้วยครึ่งแรกเนี่ยทีมที่เตรียมมาอย่างดีอาจจะโดนยิง 1-0 0-1 <ะ>ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าดูต่อไปเนี่ยทีมที่เตรียมมาอย่างดีเนี่ยก็าอาจจะชนะเป็น 2-1 ก็ได้หรือว่าแม้ทั้ง90นาทีแล้วเนี่ยทีมที่ไม่เตรียมตัวมายางชนะอยู่ 1-0 ก็จะไปที่ว่าจบ ต้องดูต่อไปจนถึงนาทีสุดท้ายเวลาเราจะบอกว่าใครทำดีแล้วได้ดีหรือไม่นั้นต้องดูยาวๆอย่าดูแค่ครึ่งแรกอย่าดูแค่สิบหนาทีแรกเข้าใจไหมค่ะคนที่บางคนเนี่ยดูแลพ่อแม่มาอย่างดีดูแลแล้วเหนื่อยพ่อแม่จะป่วยดูแลจนเหนื่อยคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่นี่สบายอย่าดูแค่นั้นดูต่อไปห้าปีสิบปีดูต่อไปยี่สิบปี บางทีมันต้องดูแนวย า, ยาแบบนั้ น, น่าจะเพราะว่าไอคนที่โกงคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนะเขารวยชั่วคราวแต่เขาทุกยาวนานใช่ไหมค่ะใช่ค่ะหรือว่าเขาาจะรวยจริงแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์จะไปมองแค่ฉาบเวยว่าเขารวยเขามีตําแหน่งสูงแต่เราไม่รู้หรอว่า ใ, ใ, จใจเขาเป็นยังไงเขามีปัญหาทะเลาะ ก, กันระหว่างสามีภรรยาไหม ก็มีความทุกข์เรื่องลูกไหมลูกอาจจะไม่เอาเขาลูกจะหันหลังให้เขาเพราะเขาเนี่ยไม่สนใจอะไรสนใจแต่เงินทองหลายคนนี่ที่เราเห็นเขารวยแต่ในบ้านเขานี่นะมัเหมือนนรกทะเลาะ ก, กันนะแก่งแย่งกันพี่น้องก็หักหลังกันนั่นเราเห็นว่าบ้านเขาใหญ่นะมีชื่อเสียง อย่าดูแค่นั้นบอกเข้าไปลึกๆแล้วเราจะเพราบว่าเขาไมไ่มีความสุขเลยแล้วที่เขาไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทดําดีอย่างที่ควรจะทําก็อย่างคํำกล่าวที่ว่าบทแห่งกรรมก็คงยุติธรรมเสมอนะคะสำหรับในโลกของธรรมะซึ่งหลายๆคนหลังจากที่ได้ฟังวันนี้แล้วนะคะเชื่อว่าเวลาเราอาจจะน้อยนะคะแต่พระอาจารย์ก็มีคําสอนหลักธรรมะดีๆพระอาจารย์ชั้นในช่วงท้ายของรายการ อยากให้พระจำได้ฝากข้อคิดธรรมะให้กับผู้ชมรายการกันเป็นอยคะ่ะพิรันเรียนรู้เช่อยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยทุกข์เพราะใจคิดถึงอดีตหรือไปยึดตกดกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคืออนาคตนะลองกลับมาดูใจเราเลยก็ว่าทุกเนี่ยทุกใจเพราะเหตุส อ, อย่างนี้บ่อยเยอะมากลองอยู่กับปัจจุบัน ทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่หน้าอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่ตรงนี้อาบน้ำถูฟันอย่าปล่อยใจลอยให้อยู่กับปัจจุบันนะและเราจะเพราะชีวิตอรเนี่ยจะปล่อยวางได้มากขึ้นจะโปร่งเบาไ ด, ได้ง่ายขึ้นนะความคิดฟุ้งซ่านจะน้อยลงนะอยู่กับปัจจุบันยังหมายว่าทำดีที่สุด เสียแต่วันนี้ทําดีที่สุดจะเสียแต่วนันนี้แกทําดีกับใครรีดทําจะไปผัดปอนจะไปรอาอาทิตย์หนถ้าเราทําดีที่สุดเสียแต่วันนี้เนี่ยนะเราจะมีเรื่องที่ต้องเสียใจครั้งคาใจน้อยอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อะไรที่ยังไม่ได้อะรที่ยังไม่มีอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปจดจ่อมันมาก หลายคนมีเยอะแต่ยังทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยไปหมวจนจอดอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังสิ่งที่คนอื่นมีแต่เรายังไม่มีถ้าเราหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเราจะมีความสุขได้ง่ายมีความสุขที่เรายังมีลมหายใจมีความสุขที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยมีความสุขที่เรายังไม่พิการเดินเหนือไปไหนมาไหนได้มีความสุขที่พ่อแม่อยู่กับเรามีความสุขที่ลูกยังอยู่กับเรามีเหตุผลมากมายที่เราจะมีความสุขทุกขณะ ด้วยวิธีการที่พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้หรือว่ารู้จักอยู่กับปัจจุบันออต้องบอกว่าอยากที่พระอาจารย์ได้กล่าวนะทำวันนี้ที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นธรรมะที่ดีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์นะคะเชิญพอ่อทูตมณฑา